แม้ที่พี่ชอบโป๊กเกอร์ล่ะคล้ายๆผมหล่ะผมโป๊กเกอร์ก็พอได้ล่ะแต่ที่ถนัดแล้วก็เพ น, นะคล้ายๆกันแหละไพ่สหรับเดียวชุดเดียวกันว่างๆมาแลกความรู้มันก็ได้นะฮะชักติสนิทอันที่สามสเต็ปที่สามใกล้กันอีกรักใคร่กันจริงพอมาสนิทกันชักเออเขากับเรานี่รถนิยมเดียวกันนะชักรักใคร่กันจริงนะ เขาชอบเผเราก็าเผเขาชอบโป๊กเกอร์เราก็าโป๊กเกอร์วันดีคืนดีเข้าไปจับนกกระจอกเราก็รู้สึกมันก็มันมันดีเหมือนกันแหละชักไปกันใหญ่ชักรักใคร่กันจริงอันที่สี่นอกจากรักใคร่แล้วอันที่สี่เลื่อมใสนับถือโอ้โหไอ้เจ้านี่เรานึกว่ามันเล่นไพ่มือธรรมดานี่มือเซียนเลยนี่นะ โชคของเราแล้วอีกหน่อยเราจะได้เป็นเซียนตามพี่เขามั่งเลื่อมใสจริงๆเลยแหมนึกว่าคอเล่าธรรมดาที่ไหนได้นะคอทองแดงชนะฝึกกับพี่เขา่างนี้ละไม่นนะเราเป็นเซียนนี่เลื่อมใสนะับถือซะแล้วนะักก็ไปอีกอันที่ห้าเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นนะ รวมคิดรวมเห็นกันทีเดียวว่าก็เป็นปีเป็นคลุยใช่พวกคว้าชิงข้นมาเราขวา้าฉาบพวกคว้าคว้าปีขึ้นมาเราขว้าครุยแหมมันคลอกันไปได้ใช่อันที่หกเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่พูดง่ายคำไหนก็นอนนั่นเดียกันแล้วนี่พี่คว้าอีโต้ฉันก็คว้าอินเนป พ, พี่ขว้าหอกฉันคว้าดาบ ที่คว้าปืนชั้นคว้าลูกระเบิดก็เลยมันต้องอันที่หกคือเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่กันแล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายขั้นโคม่าอันที่เจ็ดคือร่วมถ่ายทอดความประพฤติถ่ายทอดความประพฤติเหมือนกันเลยเป็นเงาแทนกันได้นะเป็นเงาตามตัวกันเลยเห็นนายกนายกมีความประพฤติยัยงไง หลับตาก็เห็นเลยว่าในขอก็ประพฤติอย่างนั้นแหละเหมือนกันเลยพอถึงอันนี้เรียกว่าขั้นสุดท้ายแห่งการครบกันแล้วสุดที่จะแก้ไขซะแล้วนี่ดูนะพฤติการที่เรียกว่าครบเนี่ยมันมีอ่อนมีแก่กันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนผ่านมาแล้วรู้ตัวแล้วด้วยแล้วว่าไอ้ที่เรียกว่าครบจะเป็นไงเพราะฉะนั้นนะ รู้ตั ว, วากาลังคบคุณทานอยู่จะในดีกรีไหนก็ตามให้ันรีบถอนตัวซนะอย่าไปถือว่าก่อเราครบกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างอยู่อย่าเพิ่งมันก็ทีละนิดละนิดอย่างเงี้ตั้งแต่ไปมาหาสู่หนักเข้า็ติสนิตรักใครหนักเข้าก็ร่รรวมกินร่วมอยู่อย่างที่ว่ามายางนี้ดีกรีมันค่อยแก่ๆเหมือนอะไรเหมือนไอ้เจ้าขี้เมา ไปว่ามันนี่เลิกกินเหล้าซะหน่อยชนะพวกเรานะ่ะโว้ยเดี๋ยวนี้ผมลดมาเยอะแล้วลดมาเยอะแล้วเหรอผมเหลือแค่กินทีละอึกเท่านั้นแหละไม่ได้กินเป็นขวดจริงของมันกินทีละขวดกินไม่ได้มันกินได้ทีละอึกน้อยแล้วกินทีละอึกไม่กี่อึกเดี๋ยวก็หมดขวดอ่าโตนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วรู้ตัวว่าขณะนี้กําลังควบคนมทานอยู่ จะในดีกรีไหนไหนก็าตามถอนตัวออกเสียเถอะทีนี้สำหรับพฤติการในการคบนั่น่ะเจ็ดอย่าง่ะบังตำราก็ย่นยอ่อให้เห็นในแง่การปฏิบัติสั้นๆเขา้เขาก็ใช้คำว่าอาการที่เรียกว่าคบคือการร่วมการรับการให้ย่อมาเหลือสามร่วมเป็นไงร่วมกินร่วมนอนอ รวมหุ้นรวมลงทุนการร่วมนี่ก็จัดว่าครบหรือการรับรับไว้เป็นลูกไว้รับไว้เป็นเมียรับไว้เป็นผ้วรับไว้เอ่อเป็นเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่ในที่ทำงานของเรานี่การรับนะนั่นรับว่าเขาเป็นญาติของเรารับว่าเขาเป็นพักพวกของเราการรับรับเมื่อไหร่ได้ชื่อว่าครบ แล้วก็การให้อันที่สามร่วมรับแล้วก็ให้ให้ความเกรงใจให้ให้คำชื่นชมให้กำลังใจให้ที่อยู่ให้ที่กินให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าคบการร่วมการรับการให้สามประการนี้ก็เรียกว่าคบเหมือนกันเราจะคบกับคนพานอยู่ในดีกรีไหนๆก็ตามขอบอกว่า ถอนตัวเสียนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอดก็มาถึงหัวข้อที่กล้าโทษของการครบคนพานนะที่ว่ามาเมื่อกี้นี่มันเป็นโทษของการที่คนคนนั้นเป็นพาลเองแต่ว่าต่อไปนี้โทษของการครบคนพาณท่านบอกชัดๆเนี่ยอันที่หนึ่งทำให้เราแปดเปื้อนเป็นมนทินด้วยนะ ทำให้เราแปดเปื้อนเป็นมลทินด้วยเหมือนอะไรล่ะเออเหมือนเอาใบเอาใบตองอไปห่อไปห่อปลาร้าไปห่อปลาเน่าไอใบตองมันก็เลยเปื้อนมันก็เลยเหม็นตามไอของที่หอด้วยนะทาให้เราแปดเปื้อนเป็นมลทินไปด้วยอันที่สองทให้เราถูกติไปด้วยอันที่สามมันก็ทำลายประโยชน์ของเราทำลายประโยชน์ของเรา แล้วก็อันที่สีก็อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้คล้ายๆโทษของการเป็นพานเองนั่นแหละเป็นไงล่ะภัยทั้งหลายมันจะไหลมาหาเรานะเพศภัยทั้งหลายมันจะไหลมาหาเราอันที่ห้ามันจะทําให้เราเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดคือคุ้มตัวเองไม่ได้แล้วก็อันที่หก ละโลกไปแล้วก็มีอบายเป็นที่ไปนะอบายภูมิเป็นที่ไปของเราที่นี้ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามหัวข้อที่สิบประโยชน์ของการไม่ครบคนผ่านประโยชน์ของการไม่ครบคนผ่านเราเห็นโทษของการครบคนผ่านแนะ่ะนี่พอไม่ครบละ่ะประโยชน์ก็เกิดขึ้นหนึ่งอันที่หนึ่ง ทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดทำให้เราไม่หลงผิดวินิจฉัยไม่เสียหายวินิจฉัยไม่เสียหายจึงสามารถรักษาบุญเดิมของเราไว้ได้บุญเดิมที่ทำข้ามพบข้ามชาติติดตัวมนะันทำให้เรารักษาบุญเดิมหรือความดีเดิมของเราไว้ได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้เราสามารถสร้างบุญใหม่ได้อีกด้วยพูดง่ายๆทําให้เราสามารถหาประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าได้นั่นเองอันที่สองไม่ถูกตำหนิติเตียนไม่ถูกใส่ความแล้วก็ไม่ถูกมองในแง่ร้ายอันที่สามได้ชื่อว่าเรานี่ตั้งตัวไว้ชอบแล้วตั้งตัวไว้ดีแล้ว อันที่สี่อันที่สี่ทำให้ได้รับความไว้วางใจในทุกที่ทุกสถานพอไม่ครบคนพานน่นนะก็ได้รับความไว้วางใจอันที่ห้าทำให้เป็นสุขทั้งตนเองทั้งครอบครัวทั้งประเทศชาติอันที่หกอันนี้สำคัญเชี คนส่วนมากมักจะอมองข้ามอันนี้คือไม่ถูกคนพาลทำร้ายขึ้นชื่อว่าคนพาลแล้วเราก็ไว้ใจไม่ได้หรอกเหมือนงูเห่าวะแหละวันนี้มันยังไม่ทำร้ายเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำร้ายมันยังไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่มันไม่เอาราไว้หรอกเพราะมันเป็นพาลเหมือนคบกับขโมย มันขโมยไปสารพัดทิศละต่อไปนี้มันหมดไม่มีที่จะขโมยจะขโมยใครดีขโมยของเร า, เาสิไม่ได้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ครบคนผานอันที่หกเลยจะไม่ถูกคนผานทำร้ายอย่าได้ไปไว้ใจนะครับ อ, อันที่เจ็ดเป็นการตัดกําลังพอเราไม่ครบคนผานเป็นการตัดกําลัง ไม่ให้คนทานระบาดอีกต่อไปที่นี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่สิบเอ็ดอุปมาของเรื่องการควบคนมทานท่านอุปมาครัไว้ว่าอย่างนี้ในพระไตรปิฎกบอกว่าปราสาตราชวังเนี่ยนะปราสาตราชวังเนี่ยที่ทําด้วยอิฐ ด, ด้วยหินด้วยปูนซึ่งยากต่อการที่ไฟจะเผาไหม้เนี่ย แต่ว่าถ้าไปสร้างติดไว้กับกระตอบที่มุงด้วยหญ้าที่มุงด้วยฟางหากวันใดไฟมันไหม้กระตอบเข้าประสาทราชวังนั้นก็จะถูกไหม้ตามไปด้วยครบกับคนพานนะถึงเราจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะต้องเสียหายตามไปด้วยเหมือนอย่างกับ เอาวังไปปลูกติดๆกับกระต๊อบวันใดไฟไหม้กระต๊อบวันนั้นหวังซึ่งไม้ยากก็จะไหม้ตามไปด้วยหรือบางทีเขาอุปมาเอาไว้นพระตถดอกว่าเหมือนอย่างกับคบคนพานก็เหมือนอย่างกับเอาใบไม้ไปห่อปลาเน่าอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็อย่าทำให้เราเนี่ย พลอยเสียพลอยเน่าตามไปด้วยที่นี้ก็มาถึงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สิบสองคือหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการไม่คบคนพาลคือนอกจากนอกจากเราจะไม่คบคนพาลโดวยวิธีต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนะ่ะยังมีสิ่งที่จะต้อง เอินระมัดระวังอีกด้วยว่าประการแรกคือให้มันห้ามตัวเองนี่แหละมันห้ามใจตัวเองจากความชั่วจากอใบยมุขทั้งหลายนะอย่าไปถือว่าแหมเล่นไพ่เนี่เล่นกันระวังพี่พี่น้องนเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรเนี่เล่นแก้ง่วงเล่นเพลินเไม่เอาห้ามตัวเองซะจากตรงเนี้ยห้าม ก, ก่อนก่อนที่มันจะลามต่อไป ห้ามใจตัวเองจากความประพฤติชั่วทั้งหลายแม้ที่สุดตัวเองเป็นคนที่เอ่อเป็นความพานชนิดอ่อนๆเช่นตัวเองเป็นคนชอบตื่นสายอันนี้ก็จัดเป็นพานนั่นกันตัวเองชอบตื่นสายแล้วทำไงล่ะเอา้เอานาฬิกาปลุกมาตั้งพอ่คืนมันตันดึกดึกกริ้งทำไงปิด <c oughs> นอนต่อไ <c oughs> ออย่างนี้ก็ไม่เอา ห้ามตัวเองเสียจากความชั่วทั้งหลายแม้เล็กน้อยอย่าไปตามใจอันที่สองอันที่สองอย่าในกรณีที่เราเองเนี่ยมื่อก่อน เ, นยเคยเสียเคยหายเคยเป็นพานมาก่อนเนี่ยกรณีที่สองให้ทำยังไงบ้างอย่าตามนึกถึงความชั่วในอดีตไม่เอาแม้ที่สุด หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับคนพาลก็อย่าไปอ่านมันเลยอันที่สามแล้วก็ตั้งใจทําความดีตั้งใจทําความดีของเราเรื่อยไปนะอันนี้มันของคู่กันนะไอความชั่วที่เราเคยถล่มไปทําพลาดนะโอยไอแผลชีวิตไอแผลหัวใจไอบ้าบอคอแตกทั้งหลายเลิกไม่ต้องนึกมันอย่าไปนึก นับแต่นี้เป็นต้นไปเริ่มทําทานรักษาสิ่สูตรมนุ์ภาวนาของเรารีไปแล้วไอ้แผลต่างๆแล้วหายไปเองแล้วนะพอถึงจุดหนึ่งเข้าไอ้ที่เราคิดว่าเป็นแผลนะ่ะไปดูจริงๆไม่เห็นมีแผลแล้วเพราใจมันเป็นดวงไม่มีแผลใจคนไม่มีแผลจําไว้ยกเว้นใจคนงโง่เท่านั้น่ถ้าใจคนฉลาดไม่มีแผลนี่เป็นดวงใสจ้ะนะทีนี้ ข้มีปัญหาที่คํำอกค้ำใจหลายๆคนใช่นะคืออันที่สี่และ ว, ว่าหากจาเป็นหากจำเป็ น, ปนต้องอยู่ร่วมกับคนผ่านบางทีมันจำเป็นเมื่อการยกตัวอย่างก็แล้วกันผู้บังคับบัญชาของเรานี่แหละโอ้โหตัวคอรับชั่นเลยเข้าใกล้เดี๋ยวมันก็ชวนเราไปคอรับชั่นกันมัน ไอ ห, ห่างมานักเดียวมันก็ไล่เราออกที่จะทำยังไงเนี่ยในกรณีอย่างนี้ในสภาพคาราคาสังยังไล่มันก็ไม่ได้จะถอนตัวก็ไม่ออกเนี่ยโบราณมีข้อเตือนว่าอย่างนี้ว่าให้ทำตัวเองเหมือนอย่างกับคนผิงไฟคนผิงไฟเนี่ยทำไงหน้าหนาวหนาวแหมจะห่มผ้าก็มันก็ไม่หายหนาวผิงไฟเถอะ ถ้าผิงไฟเนี่ยอยู่ใกล้ไฟนะักเป็นไงเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็พองห่างนักมันก็หนาวค้างสาั่นกึกึกึกค ก, ค, ก, ค, กคนผิงไฟเราอย่าห่างนักอย่าใกล้นักเ อ, เอาพอ ด, ดีพ ด, ดีไว้รอจังหวะนะถนน้าหนีไม่ได้นะถ้าห่างกันได้ละดีที่สุดโบราณบอกว่าอย่างนี้ห่างช้างให้ห่างส อ, อ, อผ่านช้างให้ห่างสอก เวลาเดินผ่านช้างนะอย่างน้อยศอกถ้าผ่านไอ้วอกอย่างน้อยต้องวานผ่านช้างให้ห่างศอกผ่านวอกให้ห่างวาถ้าจะผ่านพาราให้ห่างร้อยโยธพันโยธหมื่นโยธแสนโยชธเชียแต่บางกรณีหนีไม่ได้จริงๆเช่นเช่นอะไรลนะ่ะพ่อเรานี่ละโจรตัวดีเชียไม่รู้จะทํายังไงกะแกเออ ก็อย่าใกล้กันนักนะเดี๋ยวจะติดนิสัยจะแกห่างนะ ก, ก็พ่อไม่รู้จะทำยังไงระวังให้ดหีระวังเหมือนอะไรระวังเหมือนคนผิงไฟประการสุดท้ายคือสามสี่อันที่ห้าสินะเราสามารถครบคนทานได้กรณีเดียวนี่ เราสามารถที่จะคบคนพาลได้กรณีเดียวคือเพื่อหวังจะสงเคราะห์เขาแต่มีข้อแม้ว่าต้องมั่นใจนะว่าคุณธรรมของเรามั่นคงพอเพียงแล้วหากไม่มั่นใจถอยไปห่างๆอย่าไปยุ่งกับมันจะเป็นญาติจะเป็นอะไรก็ตามอย่าไปยุ่งกำลังเรายังไม่พอ ไม่ไหวเดี๋ยวจะจมน้าตายด้วยกันทั้งคู่คือที่ว่าจมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่หมายถึงว่าเออเราเองเนี่ย <c oughs> คุณธรรมยังไม่พอเพียงหรือยังว่ายน้ําไม่แข็งขืนไปช่วยเขาไอ้มันวนะ่ายน้าไม่เป็นเลยคือเป็นพานแท้ๆเลยขืนไปช่วยมันเนี่ยมันดึงเราตกแน่ๆดูแล้วไม่มีทางแก้ไขอย่างนั้นไม่เอา ไม่ต้องช่วยปล่อยกันไปไว้ชาติหน้าค่อยว่ากันชาตินี้ปล่อยไปก่อนเถอะทตกนรกไปสักพักให้มันคุ้นให้มันเชื่องให้มันให้มันกลัวนรกสมั้งแล้วไว้ชาติหน้าค่อยคอย่คอยคุยกันแต่ว่าถ้าเขาไม่เลวจนเกินไปนักเราเองก็มีกําลังพอจะแก้ไขงั้นก็สงเคราะห์อนุเคราะห์เขาเถอะพอช่วยประคับประคองกันไปได้ก็เอาไม่ใช่กระถิใจไม้ใส่กรรมทีเดียว แต่ว่าอย่าต้องดูไว้ว่าอย่าให้เกินกําลังถ้าเกินกําลังหยุดก็มาถึงหัวข้อที่สิบสามคือพวกนิทานประกอบควาจริงนิทานประกอบในเรื่องที่แล้วและเมื่อคราวก่อนโน้นได้พูดมาบ้างพอสมควรแล้วเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยขอพูดเรื่องเดียวพูดเรื่องเดียวนิทานประกอบวันนี้เรื่องเออ ลักษณะของคนพาลชนิดที่เรียกว่าแม้พูดดีๆก็โกรธนะมีเรื่องอยู่ <c oughs> มีเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระมหากัรสปะซึ่งต่อมาได้เป็นเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานไปแล้วพระมหากัรสปะนี่ได้เป็นได้เป็นประธานในการสังขายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกเลย เริ่มมีอยู่ว่าพระมหาเถระรูปนี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมากเลยเป็นที่ยกย่องเคารพของพระภิกษุสงฆ์ธรรมดาเป็นที่เคารพยกย่องของพระอรหันต์ทั้งหลาย <c oughs> ในสมัยนั้นแม้แต่พระอานนุ์ซึ่งเป็นพระพุทธอนุชาเนี่ยก็ยังให้ความเคารพเกรงใจพระมหากสปะอย่างมากแต่ว่าท่านองค์นี้มีประสบการณ์เกี่ยวกับคนผ่าน คือมีวันหนึ่งตามธรรมดาพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะรับพระผู้น้อยที่บวชใหม่เนี่ยรับออกมาไว้เป็นลูกศิษย์เพื่อว่าจะได้อบรมสั่งสอนให้ก็พระเถระแต่ละรูปก็รับลูกศิษย์ไว้เป็นร้อยก็มีเป็นสิบก็มีทีนี้พระมหากัสริยเนี่ยก็รับลูกศิษย์ไปสามสี่คนสามสี่รูปด้วยกันเป็นพระภิกษุ ปรากฏพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนมีลิเป็นพระที่มีเลี่ยมมีครูเช่นเป็นต้นว่าอยู่ด้วยกันหลายๆรูปเนี่ยพอตอนเย็นถึงเวลาพระมหากระสปะจะสงน้ําซึ่งถ้าหน้าหนาวลูกศิษย์ก็จะต้มน้ําเอาไว้ให้แต่เจ้าลูกศิษย์ดื้อเจ้าศิษย์มีเลี่ยมมีครูคนเนี้ยรูปเนี้ยไม่เคยต้มหรอก แต่จ้องอย่างนี้พอขายต้มเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําหน้าที่ไปนิมนตนะ์ครัหลวงพ่อครับอืมน้ําต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ต้มเองนะองค์อื่นเขาต้มเอาไว้แต่ไปเอาความดีความชอบมาแล้วหลวงพ่อครับน้ําต้มเสร็จแล้วทาท่าทําทางเหมือนอย่างกับ ต, ตัวเองต้มเอาไว้งั้นละแล้วก็พอ หลวงพ่อมาถึง อ, อน้ําร้อนมาอา้าวมาผสมน้ําเย็นให้อุ่นจะได้อาบมาเามื่อวันหน้าหนาวก็มีเลี่ยมมีคูทํานองเนี้ยไม่ว่าจะทําอะไรแล้วก็เลี่ยมคูทํานองนี้อยู่เรื่อยแม้แต่ไปบินธบาตแม้แต่ไปบินธบาตอยากจะฉันอะไรละ่ะแหมวันนี้อยากจะฉันแกงไก่สมมุติไปบอกโยมแนละโยมหลวงพ่อท่านอยากจะฉันแกงไก่แนะ เอาชื่อหลวงพ่ออ่างเชียวโยไม่รู้ก็แกงเอาไว้ไปอ่านชื่อหลวงพ่ อ, อย่างเงี้ยสารพัดจะมีเหรียญมีครูวันหนึ่งพระมหากัสปะก็เลยเทศเขาบอกเธอเป็นพระแล้วมีเหรียญมีครูอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยควรจะอบรมตัวให้ดีก็พระมหากัสปะเนี่ยก็ เตือนอยู่ทํานองนี้เรื่อยๆแต่ว่าถูกเตือนทีไรแล้วก็แม้พระองค์นั้นรู้สึกมันคับแค้นใจจริงๆดูที่อาจารย์มาฉีกหน้าเราอีกแล้วโดนเตือนทีแล้วก็ดูที่อาจารย์มาฉีกหน้าเราอีกแล้วจ้องจับผิดต่แล้วนั่นแหละคนอื่นเราไม่เห็นไปด่ามั่งเลยก็คนอื่นเขาดีจะไปด่าเขาย่างไรกับตัวแสบอยู่อยู่คนเดียวน่ะที่นี่โดนเอ็ดโดนเตือนหลายหนเข้า แทนที่จะนึกถึงคุณอาจารย์ว่าเออต้องมาเหนื่อยจ้ำจี้จำ้ำชายให้เนี่ยแทนที่จะได้พักผ่อนต้องมาเสียเวลาอย่างเนี้ยแทนที่จะขอบคุณเปล่าแค้นใจนึกยังไงดีละฉีกหน้าเราทุกวันทุกวันวันนี้เราจะเอามั่งคิดอย่างนั้นแล้วเช้าวันนั้นเลยไม่ออกไปบิญทบาทแล้วให้พระอาจารย์ออกบิญทบาทดูองค์เดียวละอยู่ทางนี้ เผากุฏิทิ้งซะเลยจะฉีกหน้าอาจารย์ทําให้ใ ห, ใ ห, ให้หายแค้นให้ได้อาจารย์เตือนแต่ความหวังดีนะเตือ น, นทุกวันทุกวันลุกสิษิ์โกรธเป็ไงล่ะแม้พูดดีๆก็โกรธอย่างที่ว่ามันน่ะเผากุฏิอาจารย์ทิ้งเลยพระมหากรสปะกลับมาจากกลับมาจากบินทบาทเจอแต่กองขี้เท่าไม่เจอกุดฏิแล้ว เจ้าลูกศิษย์ตัวดีก็หนีไปซะแล้วหนีไปชิบไม่อยู่เรื่องนี้ทราบไปถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติไปก็ไปเจอแล้วก็บอกพระมหากัสะตะให้ฟังว่าเออไอ้เจ้าลูกศิษย์คนนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งผานในชาตินี้หรอกเมื่อชาติที่แล้วแล้วมามันก็ผาน แล้วพระองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าเมื่อชาติในอดีตมีชาติหนึ่งพระมหากระสปะเกิดไปเป็นนกขมิน้นไอเจ้าลูกศิษย์นี่เกิดเป็นลิงแล้วอยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวเจ้านกขมิน้นวิสัยนกตั้งแต่มาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นพอมาอยู่ปั๊บก็ตั้งใจทํารังก่อนอื่น ไว้กันแดดกันลมกันฝนแล้วก็เตือนเจ้าลิงเนี่ยนะ เ, เจ้าลิงเอ้ยเองก็มีมือมีเท้าเหมือนมนุษย์โอกาสที่เองจะทำรังนะ่ะทาที่กบาบังแดดกบาบังฝนกำบังลมนะ่ะโอกาสของเองนะ่ะทำได้ดีกว่าข้าอีกนะข้านำมีแค่ปากเล็กเล็ ก, ลกนิดเดียวไม่มีมือมีไม้จะหยิบเองนะ่ะมีมือ เพราะฉะนั้นเองก็ทำที่อยู่กันแดดกันลมกันฝนมั่งหนะเจอหน้าก็เตือนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไอ้เจ้าลิงมันก็เฉยมแล้วมไม่ทำหรอกจนกระทั่งถึงฤ ด, ดูฝนเข้าฝนตกฝนตกนกขมิ้นก็มุดเข้ารังหลบฝนสบายเจ้าลิงไปนั่งตากฝนลอง อ, อืดอืดอยู่ตัวเดียวแหละ เจ้าโนคหมิ้นเห็นเนี่ยก็สงสารแล้วก็ตั้งใจเออนี่นะมันกําลังเปียกฝนหนาวสันอยู่เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะเตือนมันเตือนเวลาอื่นมันไม่ได้คิดเตือนเวลามันกําลังเปียกฝนมันคงจะได้คิดนะแล้วก็ยื่นหน้าออกมาจากกลางเตือนเจ้าลิงว่าลิงเ อ, อ้ยเจ้าก็มีมือมีเท้าคล้ายๆมนุษย์เห็นไหมเนี่ยเพราะความที่ไม่เชื่อเรา เราเตือนตั้งแต่ต้นฤดูแล้วไม่ไ ม, ไม่ให้สร้างรั้งก็ไม่ยอมสร้างเดี๋ยวนี้ต้องมาหนาวเงี้ยต่อจากนี้นะฝนหยุดนี่เองสร้างใช่ไหมความรู้ความสามารถแล้วก็ใกล้เคียงมนุษย์แล้วทําไมไม่สร้างสร้างใช่นะมไอ้เจ้าลิงมันก็บอกมันก็เลยตอบวนะสร้างก็เจะสร้างมันก็สร้างได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ข้าจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ปัญญาข้ามันไม่เท่ามนุษย์เว้ย นกเลยบอกเออเองเนี่ยเป็นคนที่ใจกวาดแกงนะเองเนี่ยคนใจกวาดแกงนอกจากใจกวาดแกงแล้วเองนี่ยสนบางวันเองก็ชอบหรือลังคนโน้นคนนี้เขาเนี่ยแล้วพอถึงตัวเองก็ต้องมาเปียกอย่างเงี้ยไอคนใจกวาดแกงคนไม่ถ น, นอมน้ําใจมิตรถึงเวลาบางสิ่งต้องมาลําบากอย่างนี้เองอย่าเป็นอย่างนี้นะ วันหลังแก้ไขเสียนี่นกขมิ้นกระเตือนดีๆอย่างนี้ไอ้เจ้าลิงไมง่ังนนึกแค้นขึ้นมาแล้วน้อยแนะ่เราเปียกจนหนาวจะแย่แล้วกลับมาสมน้ำหน้าเราอีกมาซ้ำเติมเราอีกมีความรู้สึกนี้คิดอย่างนั้นแล้วก็โดดขึ้นรังขึ้นหรือรังนกขมิ้นทิ้งเสียไอ้เจ้าลิงตัวนี้เมื่อตอนเป็นลิงน่ะก็หรือรังนกนทิ้งเสีย พอมาเป็นคนเขา้าก็มาเผากุฏิอาจารย์ทิ้งเสีย ท, ทั้งทั้งที่อาจารย์นะพูดดีๆเตือนดีๆเผาทิ้งซะอย่างนั้นแหละนี่คือลักษณะของคนผ่านก็ขอให้ระวังกันไว้นี่เป็นอย่างนี้นะส่วนนิทานเรื่องอื่นๆได้พูดกันแล้วจะไม่พูดต่อเรื่องของการคบคนผ่านเท่าที่เรื่องของการไม่คบคนผ่านเนี่ย มันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งในพุทธศาสนาถ้าตราบใดที่เรายังไม่ปฏิบัติตามตราบนั้นคุณธรรมอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ซึมซาบเข้าไปในใจของเราหรอกจะเป็นหลวงพ่อเทศก็ดีจะไปนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชหรือไปนิมนต์พระอรหันต์จากที่ไหนก็ดีมาเทศให้ฟังถ้าตราบใดที่เรายังไม่เลิกนิสัยทนันพานในตัวเองก็ดี หรือยังไม่เลิกคบคนพาลก็ดีตราบนั้นละก็คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะคุณธรรมอื่นๆเนี่ยจะไม่มีทางซึมซาบเข้ามาในใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปแล้วให้พวกเราเนี่ยไปพิจารณามงคลเรื่องการไม่คบคนพาลเนี่ยพิจารณาให้หลายๆเที่ยวหน่อยนะก็สําหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้